ไปบุรีลัมเทศที่โรงพยาบาลของจังหวัดโรงพยาบาลจังหวัดคนเยอะเหมือนกันคนใหม่ๆเต็มห้องประชุมเหมือนกันปรเทศสุรินทร์ที่วัดบูรณ์มีคนก็เยอะมาไกลบางคนน่าสงสารนะมาจากมหาสารคามยะโสธรมาจากไห น, นไม่ใช่ใกล้นั่งรถกันหลายหลาชั่วโมง มาฟังเทศเศเสร็จสองทุ่มครึ่งกลับเวาจะกลับนะ่าถึงเที่ยงคืนอ่ะถึงเที่ยงคืนว่าจะถึงมหาสร า, ารคามอะไรบ้เขาสนใจกันมากเราฟังซีดีเราปรากฏฟังซีดีแล้วจิตเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยเยอะแยะเลยแยกธาตแยกขันธ์ทำได้ภาวานาได้ดีๆนีเยอะมากเลย ไปรอบนี้ก็น่าทึ่งวนะ่าคนทางน้นภาวนาได้เปลี่ยนไปมากเดิมทำสมาธินิ่งๆสมาธิมันก็ดีนะแต่ว่ามันไม่พอทำแต่สมาธิจิตสงบสบายมีแต่ความสุขพอสมาธิเสื่อมกิเลสมันแรงกว่าเก่าแล้วสมาธิมันเป็นตัวข่มกิเลสสมาธิไม่ได้ล้างกิเลส ตัวที่จะล้างกิเลสทำลายกิเลสไนดะ้จริงๆก็คือตัวปัญญาแต่อยู่ๆตัวปัญญามันไม่เกิดจิตต้องมีสมาธิพอประมาณไม่ถึงขนาดต้องเข้าชาญเป็นหรอกมีสมาธิระดับที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมตัวเองคนในโลกไม่มีสมาธิลืมกายลืมใจตลอดเวลาสมาธิมันมีสองแบบ สมาธิอันหนึ่งรู้สึกตัวจิตใจตั้งมั่นรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจสมาธิชนิดหนึ่งจิตไหลไปไปเคลิม้มไปสงบอยู่ในอารมณ์เดียวไปอยู่ในความนิ่งความวา่างนั้นสมาธิไว้พักผ่อนสมาธิขี้เกียจขี้คลานไปอยู่ตรงนั้นนานๆนนนนนนกี่เลตแรงแต่ก็มีประโยชน์เอาไว้พักเป็นคราวๆจิตไม่เคยพักเลยไม่เคยสงบเลยไม่มีแรง ต้องพัฒนาสมาธิที่จิตตั้งมั่นการมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้ก็ถึงจะเจริญปัญญาได้เนี่ยเราต้องมาฝึกนะหลวงพ่อไปเทศที่สุรินทร์คราวนี้ไหนๆก็ไปเทศวัดบูร์ของหลวงปูดดงงป่ดุลก็เลยสอนก็ดูจิตจริงหลวงปู่ดุลสอนกรรมฐ า, านเยอะแยะไม่ใช่สอนแต่ดูจิต แต่ในบรรดาทำทั้งหลายนะั้นนะจิตเป็นใหญ่ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าทำทั้งหลายจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ทั้งมรรคผลนะสําเร็จด้วยจิตด้วยใจนิ่การภาวนาถ้าเรียนเข้ามาไม่ถึงจิตถึงใจก็อ้อมค้อมไม่ค่อยได้สาระแก่นสารได้ผิวผิวเปลือกเปลือกการภาวนาถ้ารวบรัดตัดตรงเข้าถึงจิตถึงใจได้ก็จะได้แก่นสารสาระอย่างรวดเร็ว นี่ไม่เฉพาะหลวงปู่ดูลบอกนะหลวงปู่เทศสท่านก็บอกว่าการภาวนานะถ้ามันไม่ถึงจิตถึงใจยังไม่ได้สาราแก่นสารของการปฏิบัติภาวนาต้องเข้าถึงจิตจริงๆนีการภาวนาบางคนเข้าถึงจิตไม่ได้เก็ไปทําอย่างอื่นมาก่อนอ้อมๆมาถึงวันหนึ่งก็ต้องรวมลงที่จิตมาตัดกันที่จิตเองกิเลสเกิดที่จิตกุศลเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตนิพพานรู้ด้วยจิต นิพพานไม่ได้เกิดนะนิพพานจิตไปแค่ไปรู้ไปเห็นมันเข้ามรรคผลนะเกิดได้ดับได้ทั้งๆ ท, ท, ที่มรรคผลเป็นโลกุตตะนะโลกุตตะยังมีสองส่วนนะสิ่งที่เป็นโลกุตตะรรมรรคสี่ผลสี่เนี่ยยังเป็นธรรมะที่เกิดที่ดับอยู่นิพพานหนึ่งนะถึงจะเป็นอสังคตะไม่เกิดไม่ดับนะยังไม่ใช่โลคุตตะทั้งหมดเนะี่ยไม่ดับไม่ใช่โสดาปริมรรคเกิดแล้วก็เกิดไปทั้งชาติไม่ใช่ โสดาปติมักไม่ยอมดับโซดาปฏิผลก็ไม่เกิดโสดาปฏิผลไม่ดับนะสกอาทาคามีมักก็ไม่เกิดหรอเกิดไม่ได้เจ้าเก่าไม่ยอมไปจริงจริงมันเกิดดับนะทั้งหมดนะั้นมันเกิดที่จิตจะเป็นกุศลจะเป็นอกุศลจะเป็นมักเป็นผลเกิดที่จิตเนั้นเราเรียนนะถ้าจะเอาให้เร็วๆ่ไม่ต้องไปอ้อคมค้อมเรียนเข้ามาที่จิตเลยแต่ต้าเรียนให้เป็น ไปสุดินท่านี้ก็เป็นสรุปเรื่องการดูจิตให้เขาฟังว่าถ้าดูจิตแบบไหนจะเกิดศีลดูจิตแบบไหนจะเกิดสมาธิดูจิตแบบไหนจะเกิดปัญญาดูจิตแบบไหนจะเกิดวิมุติสุดท้ายต้องจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมักเป็นอรหัตมักอรหัตมักนั้นแหะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งจริงแจ้งในความเป็นอริยสัจ หลงปูโดยเลยเรื่องอริยสัจแห่งจิตที่จิตเป็นตัวทุกขนะ์รู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็ละสมุทยัยละสมุทัยได้ก็เห็นพระนิพพานแจ้งนิโรธในขณะที่รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธขณะนั้นแหละขนะแห่งอรหัตธรรมนะั่เป็นเรื่องของจิตตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ฝึกยังไงดูจิตแบบไหนให้เกิดศีล ดูจิตยังไงเกิดสมาธิดูจิตยังไงเดินปัญญาดูจิตยังไงเกิดมรรควิธีดูจิตให้มีสีนะให้คอยรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นกับจิตกิเลสไม่ได้ไปเกิดที่มือที่เท้าที่ปากอะไรหรอกปากไปด่าคนอื่นได้นะมือไปตีคนอื่นได้เพราะกิเลสมันเกิดที่จิตอย่างบางทีนอนละเมินนะไปต่อยใครเขาเนี่ยอันนี้ไม่เป็นกิเลส ไม่เป็นกิเลสไม่มีเจตนาเป็นเวร เ, เป็นกรรมของคนถูกละเมอต่อยเป็นกรรมเก่าของมันนะแล้วเราก็เตรียมรับวิบากไว้วิบากกรรมเก่าของเราเหมือนกันะไม่ใช่กรรมใหม่กรารมใหม่เราไม่ได้เจตนามีผลเล็กน้อยเป็นกตั้งตากรรมเล็กน้อยคนเราทําผิดศีลได้นะเพราะไม่มีสติรู้ทันปล่อยให้กิเลสครอบงําจิตกิเลสนั้นทุกคนรู้จักอยู่แล้ว โลภทุกคนก็รู้ว่าเป็นยังไงโกรธทุกคนก็รู้ว่าเป็นยังไงหลงทุกคนก็รู้ว่าเป็นไงฟุ้งซ่านก็รู้จักโหดหูก็รู้จักอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรกังวลเครียดแล้วรู้จักนั้นเลยโลภอยากโน้อนอยากนี่ยึดถือในความคิดความเห็นนกิเลสทั้งนั้นเลยกิเลสยึดถือในความคิดความเห็นนเรียกว่าทิฏฐิ ต้องความเห็นของกูเท่านั้นถูกความเห็นของคนอื่นผิดนะกิเลส ท, ทั้งหลายแหลเนี่ยเกิดขึ้นที่จิตไม่เกิดที่อื่นหรอกแล้วเราก็รู้จักอยู่แล้วทุกคนรู้จักกิเลสอยู่แล้วถ้ากิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตเราก็มีสติรู้ทันมันนะความโลภเกิดที่จิตเรารู้ทันเราจะไม่ทำผิดศีลเพราะความโลภความโกรธเกิดขึ้นที่จิตเรามีสติรู้ทัน ควโกรธจะครอบงำจิตไม่ได้เราจะไม่ทําผิดศีลเพราะความโกรธนะอย่างคนเราไปฆ่าคนอื่นนะที่ฆ่าเพราะความโกรธที่ฆ่าเพราะความโลภมีไหมฆ่าเพราะความโลภมีไหมมีพูดเท็จเพราะโลภมีไหมไปหลอกลวงเค้าพูดเท็จเพราะโกรธมีไหมไปด่าเขามีไหมนัน่มีกิเลสนะมันทำให้ผิดศีลประพฤตผิดในกรรม ไปแย่งแฟนเขาอะไรยแย่งลูกแย่งเมียเขาทำเพราะโลภทำเพราะโกรธมีไหมแก้แค้นจีบแม่มันไม่สําเร็จรอจีบลูกสาวมันอเให้มันเจ็บใจเล่นอย่างเงี้ยมันทาไปนะละผิดศีลไปก็เพราะโลภเพราะโกรธเพราะหลงไปขโมยข้าวของเขาเพราะโลภใช่ไหมไปขโมยเขาเพื่อกแกล้งเขามีไหมขโมยเพราะโกรธมีไหม มนะีสมัยพุทธการแต่พระพุทธเจ้าก่อนๆ น, นะไม่ใช่พระพุทธเจ้าของเราองค์เนี้ยมีเศรษฐีคนหนึ่งนะเขาเลื่อมใสพระพุทธเจ้าเขาสร้างกุฏิถวายพระพุทธเจ้านะแค่นับถือมากสร้างกุฏิถวายนี่วันหนึ่งจะเดินไปวัดแกเห็นไห้ผู้ชายคนหนึ่งนะี่มันนอนขี้เกียจอยู่ข้างถนนงานการไม่ทํา แกก็ไปมองมันบ่าโอ้ทําไมไม่ไปทํางานพ่อมาหาจําเริญไม่ได้ว่านะอุทานท่านนั่นแหละโอนอาฆาตนะอาฆาตเศรษฐีนี่นี่เศรษฐีเฟือเมื่ อ, อไหร่มันขโมยของเศรษฐีก็ไม่ว่าอะไรโอ้มันไม่มีกินมีใช้มันขโมยไปบ้างช่างมันเถอะบ้านเรารคเต็มทีแล้วของเยอะเกินเอ๊มันไม่เศรษฐีไม่โกรธไม่เดือดร้อนไอ้นี่ก็แกล้งหนักขึ้นเรื่อยนะ ไปเผายุงฉางเผาบ้านเผาอะไรเศรษฐีเออดีนะบ้านนี้เก่าล้วเดี๋ยวจะได้สร้างใหม่ <c oughs> สุดท้ายไปสืบมันได้ว่าเศรษฐีเนี่ยรักพระพุทธเจ้าที่สุดเลยเลยไปเผากุติพระพุทธเจ้านะนทําไปเพราะอาฆาตมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมทีแรกเรื่องเล็กนิดเดียวนะเขาแค่มองๆหน้าว่นทำไมมัขี้เกียจนักหว่าแค่นี้แหละมันอาฆาตแล้วก็เล่นงานเขาไปเรื่อย เล่นงานอย่างนี้เขาไม่เดือดร้อนนะมันก็เพิ่มการเล่นงานไปเรื่อยสุดท้ายมันก็ลงเอเวจีนะในเศรษฐีไม่เดือดร้อนอีกไปเผากุฏิพระพุธทธเจ้าเศรษฐีโอ้ยปลื้มจังได้สร้างอีกล้วจะได้สร้างใหม่เอาให้สวยกว่าเก่าเนี่ยคนเราไปร้ารานไปขโมยเขานะทํำพ่ะโลภก็ได้นะทํำพ่ะโกรธก็ได้ไปทำลายทรัพย์สินเขากิเลสนี่แหละโลภะโทสะอะไรพวกนี้นะทําให้เราผิดศีล โมหะก็ทำให้ผิดศีลได้ถ้าไม่หลงคงไม่ไปโกรธเขาถ้าไม่หลงคงไม่โลภอันนี้มีศีลอยู่ข้อข้อห้าพวกเราปกติก็ไม่มีสติอยู่แล้วเอาไปกินเหล้าเมายาเลยเนี่ยให้สติมันอ่อนกว่าเก่าอีกยิ่งหลงหนักกว่าเก่ากทำไปเพราะหลงนะหลงคิดว่ามันจะนำความสุขมาให้เผเสสิ่งเสพติดทั้งหลายหลง แล้วก็จะยิ่งหลงมากกว่าเก่าเศรแล้วก็ยิ่งหลงมากกว่าเก่าสรุปแล้วก็คือคนเราทําผิดศีลเพราะไม่มีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่จิตกิเลสมันเลยครอบงําจิตได้เพะกิเลสมันรุนแรงขึ้นมาก็กไปทําผิดศีลนะงั้นถ้าเราอยากภาวนาดูจิตดูใจให้มีศีลให้เราคอยรู้ทันเวลากิเลสอะไรเกิดที่จิตเรารู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตรู้ทันศีนาัตโนมัติจะเกิดขึ้น เนี่ยการภาวนานะภาวนาหา ด, ดูจิต ด, ดูใจมีตั้งแต่เบื้องต้นเลยหาดูทันกิเลสที่เกิดที่จิตศีลอัตโนมัติจะเกิดคนจํานวนมากรักษาศีลไม่ได้รักษาศีลยากมากเพราะพยายามรักษาศีลที่กายที่วาจารักษากายรักษาวาจาแต่ไม่รักษาใจ ก็ทำผิดศีลง่ายเราขาดสติกิเลสครอบงำจิตได้กายวาจาก็รักษาไว้ไม่ไหวเพอมาเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อนะัรู้ทันกิเลสของเราเองการรักษาศีลเป็นเรื่องง่ายการรักษาศีลไม่ใช่เรื่องยากใครรู้สึกรักษาศีลง่ายขึ้นบ้างมีไหมนายยกมือหน่อยดูซิโอง่ายมากมากนี่นะอย่างน้อยสังคมของเราเล็กๆอนนี้ก็ร่มเย็นขึ้นนะสังคมทุกวันนี้มันสังคมของคนทุ่มศีล คนมีศีลมีธรรมนะลําบากมากเลยแต่เราก็มีศีลไว้ใครชั่วก็ช่างเขานะเรารักษาศีลของเราไว้ระยะยาวแล้วไม่จะรู้ว่าใครจะดีกว่าใครใครมันจะมีความสุขมากกว่าใครคนทําชัว่วนึกว่าฉลาดจริงๆโง่ทําลายตัวเองเนิไม่รู้ทําลายตัวเองเดินความไม่รู้ไม่มีความสุขหรอกอย่างแย่งกันใหญ่แย่งกันโตนะ จะกินข้าวเขากลัวเขาวางยาไปไหนเดินคนเดียวก็ไม่ได้นะต้องมีบอดี้การ์ดมีเยอะแยะเลยบางทีบอดี้การ์ดมันก็ช่วยไม่ได้ประธานาธิบดียังโดนยิงเลย <c oughs> คนไม่มีความสุขแร้วเรามีศีลมีธรรมนะมีความสุขเนื่อหัสรู้ทันกิเลสที่เกิดที่จิตเราจะได้ศีนอัตโนมัติเรามารู้ทันจิตต่อไปอีกเพื่อให้เกิดสมาธิ วิธีรู้ทันจิตให้เกิดสมาธินะคือสมาธิเนี่ยมันตรงข้ามสมาธิเนี่ยเป็นความตั้งมั่นของจิตความสงบของจิตสิ่งที่ตรงข้ามกับสมาธิคือความฟุ้งซ่านเหมือนฟุ้งไปดูฟุ้งไปฟังฟุ้งไปดมกลิ่นฟุ้งไปลิ้มรสฟุ้งไปทางร่างกายฟุ้งไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งทางใจจิตมันฟุ้งไปทางสวารทั้งหกมันก็ฟุ้งซ่านจับโน้นจับนี่ไปด้วย ไม่อยู่ในอารมณ์มันเดียวทําไมจิตมันฟุ้งซ่านไปในทวารทั้งหกมันเที่ยวหาความสุขนั่นแหละมันไปดูก็หวังว่ามีความสุขไปฟังก็หวังว่าจะมีความสุขไปดมกลิน่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งทางใจกระทั่งไปนั่งสมาธิเอาเข้าจริงอยากได้ความสุขอยากได้พออยากได้แล้วจับอารมณ์ไม่มั่น เดี๋ยวก็จับอารมณ์น้นทีจับอารมณ์นี้ทีจิตไหลหออกไปเรื่อยจิตที่จับอารมณ์ไม่มั่นนะมันเดี๋ยวจับมันน้นจับมันนี้เรียกว่าจิตฟุง้งซ่านวิธีแก้จิตฟุ้งซ่านจะให้เกิดสมาธิชนิดสงบนะเราหาเครื่องอยู่ให้จิตสักอันหนึ่งก่อนเราลองดูว่าจิตใจของเราเนี่ยอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขเราก็ไปอยู่กับอารมณ์ชนิดนั้น คนไหนพุโทโธแล้วมีความสุขก็อยู่กับพุโทโธคนไหนฟังซีดีหลวงพ่อแล้วมีความสุขก็ฟังซีดีนทําได้นะวิธีทําสมถานั้นในตําราว่ามีสี่สิบวิธีในความเป็นจริงนับไม่ถ้วนวิธีเก็แย่ไปอย่างพระจุลพันตกะใช้วิธีขยี้ผ้าขาวมีผ้าขาวอยู่ผืนนึงพระพุทธเจ้าให้มาให้ม า, มานั่งขยี้แล้วก็ท่องไประโชหระนังระชังหรติ ระโชหรณังระชังหรติแต่ภาษาไทยว่าผ้าเช็ดฝุ่นย่อมเช็ดฝุ่นผ้าเช็ดฝุ่นย่อมเช็ดฝุ่นไม่บริกรรมอะไรมากมายนะแค่เนี้ยถูผ้าไปได้เลยถูไปทีแรกก็ไม่เห็นสงบเลยนะพระพุทธเจ้าให้ถูก็ถูไปได้นะขยี้ไปได้ขยี้ไปสักพักหนึ่งนะเกิดมาดูผ้าผ้าแต่เดิมสะอาดที่พระพุทธเจ้าให้มานะสะอาดสวยงาม ตอนนี้ดำไปแนละเพื่อนมือเพื่อนขี้ฝุ่นในมือนะเพื่อนความโสโครกพระจิตท่านเห็นว่าผ้าที่สะอาดเนี่ยพอมาถูกร่างกายแล้วสกปรกแสดงว่าร่างกายเนี่ยเป็นของสโครกจริงท่านเห็นร่างกายเป็นปฏิคูลเป็นอสุภะพอเห็นร่างกายเป็นปฏิคูลเป็นอสุภะจิตท่านสงบเลยเนี่ยพิจารณาสุภะนะแต่แทนที่จะพิจารณึกนึกเอานะท่านมาขยี้ผ้าจริงๆ อันนี้เป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าให้ท่านท่านเยยี่ยพาแล้วก็สวดไปและโชหรนังระชังหรติฟังแล้วสบายใจไหมบทนี้นี่ล้โชหรนังระชังหรติสวดแล้วสบายใจจิตท่านก็สงบเนื้อสมาทากรรมฐานเนี่ยเคล็ดลับมันอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักเลือกอารมณนะ์อารมณ์ใดที่จิตอยู่แล้วมีความสุขมีความสงบนะเราก็อยู่กับอารมณ์นั้นเรื่อยๆ ใครพุทโธแล้วมีความสุขก็อยู่กับพุทโธใครรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขก็รู้ลมหายใจใครดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขก็ดูท้องพองยุบใครสัมมาระหังแล้วมีความสุขก็สัมมาระหังไม่ดีไม่เลวแตกต่างกันเหมือนเหมือนกันอะไรก็ได้เพราะใจมันมีความสุขอยู่ในอารมณ์มันเดียวแล้วเนี่ยมันจะไม่ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์อื่นมันก็สงบนี่เคล็ดลับนะ เมราะ้เราค่อยรู้ทันทํากรรมฐานสักงานหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันจิตไหมเช่นพะุทโธพุทโธพุทโธนะจิตฟุ้งซ่านไปที่อื่นนละ้หนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วไม่พุโทโธแล้วเป็นพุโทโธพุโทโธอะไรนั้นไปหนีไปที่รู้ทันหายใจไปจิตหนีไปรู้ทันทําอะไรไปจิตหนีไปรู้ทันดูท้องพองยุบจิตหนีไปก็รู้ทันนามาภิธาสามัมมาระหังอะไรจิตหนีไปก็รู้ทันจิตคอยรู้ทันจิตไปเลยไม่ได้บังคับจิตให้สงบ อย่าไปบังคับจิตจิตไม่ชอบให้ใครบังคับเอาแค่รู้ทันนเรามีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านไปเรืมันฟุ้งไปคิดฟุ้งไปดูฟุ้งไปฟังถ้ารู้สึกว่าดูหกถาวรมากไปเอาถาวรใจอันเดียวจิตหนีไปคิดเรารู้จิตหนีไปคิดเรารู้เอาอันเดียวก็พอเพราะอันนี้เกิดบ่อยนี้ทางใจเนี่ยเกิดบ่อยห น, นีไปดูนี่รองลงมาสําหรับคนตาไม่บอดห น, นีไปฟังก็รองลงไปอีกสําหรับคนหูไม่หนวกนะ แล้วคนปกตินะจะหลงทางใจมากที่สุดคือหลงคิดคิดได้ทั้งวันอนะ่ะรองลงมาก็หลงดูลองไปก็หลงฟังนะเอาเลือกอันที่มันหนีมากที่สุดห น, ะนีไปคิดแล้วเราหัดพุทโธ น, นะจิตนี้ไปคิดเรารู้หาดหายใจไปจิตนี้ไปคิดเรารู้ดูท้องพองยุบไปจิตนี้ไปคิดเรารู้เดินจงกรมไปจิตนี้ไปคิดเรารู้อะไรก็ได้ที่ทำแล้วมีความสุขนะถ้ามีความสุขได้ความสงบอยู่ล้ว พอรู้ทันจิตที่หนีไปคิดเนี่ยจะได้ความตั้งมั่นนะได้ควบมาสองอันเลยนะเรื่องอารมณ์ที่มีความสุขแล้วก็รู้ไปเรื่อยนะแต่จิตหนีไปคิดเรารู้เอาตรงที่จิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขเนี่ยจะได้สมถนะได้สมถะกรรมฐานที่จิตสงบแล้วตรงที่จิตมันหนีไปจากอารมณ์แล้วเรารู้บ่อยๆเราจะได้ความตั้งมั่นจิตจะไม่หนีไปไหน ที่จะทรงตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะี่สมาธิเลยมีสองงานสมาธิสงบกับสมาธิตั้งมั่นแต่ในความตั้งมั่นก็ต้องมีความสงบเจืออยู่ไม่ใช่ตั้งมั่นไปฟุ้งซ่านไปมันกเป็นไปไม่ไดนะ้แต่สงบอันเดียวได้โดยไม่ตั้งมั่นนะเช่นดูท้องผองยุบแล้วจิตเราไปรวมนิ่งอยู่ที่ท้องเนี่จิตสงบแต่ไม่ตั้งมั่น ถ้าจิตตั้งมั่นดูท้องพองยุบไปจิตไหลเข้าไปที่ท้องรู้ทันว่าจิตเข้าไปที่ท้องแล้จิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดแล้วจิตขยับไปทางไหนก็รู้ทันจิตจะไม่เคลื่อนไปจิตจะตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้เจตนาบังคับไว้เราจะได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาเห็นไหมเรียนสมาธิเราก็เรียนที่จิตนะสมาธิจะให้จิตสงบเพราะน้อมจิตนี้แหละไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขสมาธิที่จิตตั้งมั่นนะ เวลาเราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ันใดแล้วจิตหนีไปที่เรารู้ทันจิตหนีไปที่เรารู้ทันะค่อยรู้ทันจิตไว้อยู่กับพุทโธจิตนี้ไปรู้ทันรู้ลมหายใจจิตนี้ไปก็รู้ทันตรงที่รู้ทันแล้วจิตจะไม่หนีไปจิตจะตั้งมั่นเพราะถ้าตั้งมั่นนะไม่หนีไปด้วยแล้วก็อยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขด้วยได้ทั้งความสงบได้ทั้งความตั้งมั่นอันนี้ดีนะดีที่สุดเลยตั้งมั่นแล้วไม่มีความสุขเลยก็ไม่ดี จิตใจไม่มีเรี่ยวมีแรงเนี่ยหัดดูจิตนะดูจิตไปหาอารมณ์กรรมาฐานที่มีความสุขที่จิตใจสบายแต่ต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสแล้วก็อยู่กับอารมณ์ันนั้นไปแล้วจิตหนีไปเราก็รู้จิตหนีเราก็รู้จะค่อยสงบรวมเข้าไปในนะจิตจะรวมเข้ามาตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ด้วยมีความสุขอยู่ด้วยฝึกอย่างนี้เรื่อย ถัดจากนั้นมาทําให้เกิดปัญญาการจะทําให้เกิดปัญญาไม่ใช่มีแต่การดูจิตแต่การทําสมาธินั้นต้องเรียนเรื่องจิตไปเรีเรื่องอื่นไม่มีสมาธิจริงเพั้นบทเรียนที่พระพเจ้าสอนนะบทเรียนที่หนึ่งศีลสิกขาถ้าเรามีสติรักษาจิตเราจะมีศีลบทเรียนที่สองจิตสิกขาเรียนเรื่องจิตถ้าเรารู้ทันจิตจิตไม่หลงไม่ไหลไปที่อื่นนะจะได้สมาธิเป็นเรื่องจิต เรียนเรื่องจิตถึงเรียกว่าจิตอสิกขาให้จิตอสิกขาจะได้สมาธิต่อไปถึงขั้นปัญญาสิกขาเพราะจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วนะบางคนระดูกายเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งยังไงก็มีจิตทิ้งจิตไม่ได้หรอกเพราะเราฝึกในบทเรียนที่สองจิตอสิกขาจนกราทั้งจิตของเราตั้งมั่นขึ้นมาจิตไหลไปเรารู้ไหลเรารู้นี่แหละฝึกไปเรื่อยนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมา พอจิตตั้งมั่นแล้วจะเห็นในร่างกายก็แยกไปส่วนหนึ่งเวลาสติระลึกรู้ร่างกายก็เห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งสติระลึกรู้เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ทั้งหลายในกายความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยในใจนะจิตก็เป็นคนดูอีกใช่หไหมการปฏิบัติทิ้งจิตไม่ได้นะ <S <S จะดูกายแต่ไม่มีจิตไปดูจิตมันจะไหลเข้าไปรวมในกายจะกลายเป็นการเพ่งกายไม่ใช่การเดินปัญญาแต่การเป็นการทําสมถะเปนการเพ่งร่างกาย งั้นบางคนดูท้องพองยุบนะจิตไม่ตั้งมั่นเป็นคนดูจิตไหลเข้าไปอยู่ที่ท้องนี่กลายเป็นสมรรถะถ้าจิตเป็นคนดูอยู่เห็นร่างกายแยกออกไปจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากมันจะรู้สึกขึ้นมาทันทีเลยร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงร่างกายนี้เป็นทุกข์ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุอย่างหนึ่งที่จิตไปรู้เข้าการที่เราเห็นขันห้าเห็นกายเห็นใจนะแสดงไตรลักษณ์อยู่ นั่นะเรียกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานการเจริญปัญญาาจะเจริญปัญญาได้ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ในตำลานะถึงสอนในอริธรรมถึงสอนวนะ่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสมาธิไม่ใช่สงบนะสมาธิถ้าตามศัพท์แปลว่าความตั้งมั่นเราชอบมักง่ายไแปลสมาธิว่าสงบ สมาธิคือความตั้งมั่นของจิตซึ่งจิตมันทำตัวเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูมันเกิดความตั้งมั่นขึ้นมาได้เพราะเราคอยรู้ทันจิตที่หลงไปจิตที่ไหลไปนันะจิตที่ไม่ตั้งมั่นถ้าเรารู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นนะจิตจะกลับมาตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นอหนีไปคิดเรารู้ทันไหมจิตหนีไปคิดจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพะจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอย่าอยู่เฉยตรงนี้ ดูกายทํางานดูใจทํางานดูธาตุดูขันทํางานไปเรื่อยแยกธาตุแยกขันไปเรื่อยอย่างน้อยๆเห็นร่างกายเคลื่อนไหวอยู่ใจเราอยู่ต่างหากใจเป็นคนดูอยู่ต่างหากจะทําอะไรก็ตามมีใจเป็นคนดูอยู่ต่างหากไปเรื่อยๆนะแต่อย่าไปเพ่งใส่ตัวใจอย่าไปเพ่งจิตแค่รู้สึกว่ามีคนหนึ่งเป็นคนดูไปเรื่อยๆร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายหายใจออกหายใจเข้ามีคนคนหนึ่งเป็นคนดูอยู่นะ เราดูร่างกายนี้ทางานเหมือนเราเห็นคนอื่นทำงานนะดูมันดูคนอื่นไม่ใช่ตัวเราละถ้าจิตมันตั้งมั่น้มันจะเห็นในร่างกายไม่ใช่ตัวเราเ น, นี่ยปัญญาจะเกิดเห็นไตรลักษณ์ของกายร่างกายหายใจออกก็ชั่วคราวแล้วก็หายไปเกิดร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจเข้าอยู่ชั่วคราวแล้วก็เกิดร่างกายหายใจออกร่างกายยืนอยู่ชั่วคราวก็เปลี่ยนอิริยาบถไปไปนั่งไปนอนไปเดินอะไรก็เปลี่ยนไปนะ ทุกอย่างเป็นของชั่วคราวในร่างกายอันนี้เรียกว่าเห็นอนิจจังเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กําลังปรากฏนั้นอยู่ได้ชั่วคราวเช่นหายใจออกก็เห็นว่ามันหายใจออกได้ชั่วคราวหายใจเข้าเราก็เห็นอีกมันหายใจเข้าได้ชั่วคราวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวอันนี้เรียกว่าเราเห็นทุกขังมันทนอยู่ไม่ได้ตลอดไปเราเห็นเลยร่างกายจะที่ยืนเดินนั่งนอนนั้นเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลา หายใจเข้าก็มีธาตุไหลเข้ า, หาให้ใชจออกก็มีธาตุไหลออกนะกินอาหารขับถ่ายอะไรนี้มีธาตุไหลเข้าไหลออกตลอดเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุอย่างนี้เรียกว่าเดินปัญญาใจเป็นคนดูก็จะล้างความเห็นผิดว่าร่างกายเป็นตัวเราได้นะหรือบางคนนัมาหัดดูจิตดูใจนะจะดูจิตแล้วเดินปัญญาต่อไปเลยก็ได้แต่ไม่ใช่ไปดูจิตให้นิ่งให้ว่างนะเนี่ยไปเทศที่วัดบูร์นนะ บอกบางคนไปบอกว่าหลวงปู่ดูลสอนดูจิตวิธีดูจิตของหลวงปู่ดูลประคองจิตให้นิ่งอะไรเกิดขึ้นให้ปัดทิ้งไปเขียนกันไว้อย่างนั้นมีจริงๆนะเลยต้องแจกแจงให้ฟังว่าการดูจิตมันมีหลายขั้นตอนนะดูจิตแล้วอะไรปรุงขึ้นมาโยนทิ้งไปปัดทิ้งไปปัดทิ้งไปประคองจิตให้นิ่งไว้หลวงปู่ดูลสอนเหมือนกันแต่นั่นเป็นการดูจิตในขั้นธทำสมะำถะธรรมฐานการดูจิตไม่ได้มีแค่นั้นนะ เรียนลึกซึ้งลงไปการดูจิตยังไงจะเกิดปัญญาดูจิตให้เกิดปัญญาก็คือต้องเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเห็นความปรุงแต่งของจิตจิตเดียวก็สุขจิตเดียวก็ทุกจิตเดียวก็ดีจิตเดียวก็ร้ายจิตเดียวก็โลภเดียวก็โกรธเดียวก็หลงเดียวก็ฟุ้งซ่านเดียวก็หดหูเดียวก็วิ่งไปทางตาเดียวก็วิ่งไปทางหูเดียวก็วิ่งไปทางใจดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงดูความปรุงแต่งของจิตเรื่อยไปก็จะเห็นในจิตทุกชนิดไม่เที่ยง เช่นจิตที่มีความสุขเกิดได้นะเกิดขึ้นมาแล้วไม่นานหายไปจิตที่มีความสุขเคยมีอยู่เราหายไปนี่เรียกว่าไม่เที่ยงจิตที่เคยเฉยเฉยอยู่นะเราเกิดมีความสุขขึ้นมานี่ก็เรียกว่าไม่เที่ยงจิตที่มีความสุขก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนี่ก็เป็นทุกขังทนอยู่ไม่ได้จิตที่เฉยเฉยอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนี่ก็เป็นทุกขขังทนอยู่ไม่ได้จิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์จิตจะดีหรือจิตจะชั่วสั่งไม่ได้ เราสั่งไม่ได้สั่งให้จิตมีความสุขไม่ได้ห้ามจิตอย่าทุกข์ห้ามไม่ได้สั่งให้จิตดีอย่างเดียวสั่งไม่ได้ห้ามจิตไม่ให้ชั่วห้ามไม่ได้ยิ่งห้ามเท่าไหร่ยิ่งชั่วหนักเข้าไปอีกนะตรงที่เราเห็นว่าเราบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้อันนั้นแหละคือการเห็นความเป็นอนัตตาของจิตเนะนี่ยเดินปัญญานะเดินปัญญาเราก็ดูความปรุงแต่งของจิตไ ป, <ๆ>ไปก็จะเห็นในจิตตกอยู่ใต้อันนี้จังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกับร่างกายนั่นแหละ เพราะการดูจิตให้เกิดปัญญาเนี่ยไม่ใช่ไปดูตัวจิตประคองจิตให้นิ่งให้ว่างอันนั้นเป็นการดูจิตในขั้นสมถะจิตไหลหไปนิดนึงก็รู้ทันไม่เอาแล้วรู้ทันกลับมาอยู่นิ่งๆอย่างเดิมไหลไปอีกรู้ทันไม่เอาแล้วกลับมาอยู่นิ่งๆอย่างเดิมอันนี้หลักของสมถะทำบางคนเลยสรุปเลยหลวงปู่ดูลสอนดูจิตด้วยการประคองจิตให้นิ่งให้ว่างสอนเหมือนกันแต่นั่นดูจิตในขั้นสมถะนี่หลวงพ่อเทศนะ พระทางวัดมาฟังนะพระทางวัดเนี่ยมานั่งฟังยนะี่สิบสามสิบกว่าองค์มั่งอุปชาหลวงพ่อนะก็นั่งอยู่ด้วยนั่งฟังถ้าสอนผิดนี่ท่านต้องเฉียงลนะท่านเป็นคนแต่งหนังสือหลวงปู่ฝากไว้ท่านอยู่กับหลวงปู่ตั้งสี่สิบห้าสิบปีท่านเป็นหลานแท้ๆของหลวงปู่นะหลวงปู่เป็นอาท่านหรือเป็นลุงท่านจําไม่ไดนะ้น่าจะอาวันหนึ่งหลวงปู่ไปบอกพ่อท่านว่าเออ จะมีลูกหลายคนมีลูกชายหลายคนขอสักคนหนึ่งเอามาบวชพ่อก็ชี้ท่านเลยบอกเอาไอ้คนนี้แหละคนนี้หากินไม่ทันเขาหลอกมันซื่อหลอกท่านเล่าให้ฟังท <c oughs> ่านก็อยู่กับหลวงปู่มาตลอดนะเนี่ยไปหลวงพ่อเลยไปพูดเรื่องดูจิตต่อหน้าท่านนะอืมเทศที่วัดบูนด้วยไม่ใช่ที่อื่นนะเทศให้พระทั้งวัดฟังเลยเพราะฉะนั้นดูจิตดูจิตนะ มันหลายสเตปนะได้ยินเาว่าดูจิตคนนั้นสอนดูจิตคนนี้สอนดูจิตต้องแยกให้ออกนะว่านั้นดูจิตในขั้นการรักษาศีลดูจิตในขั้นการทำสมาธิเพื่อความสงบดูจิตเพื่อให้จิตตั้งมั่นดูจิตในขั้นเจริญปัญญาคนลนกันนะถ้าเราดูจิตในขั้นเจริญปัญญาหรือดูกายในขั้นเจริญปัญญานี่จะเห็นร่างกายเป็นของถูกดูจิตเป็นคนดูถ้าดูจิตในขั้นเจริญปัญญานี จะเห็นความสุขความทุกข์กุศลอกุศลเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนะแล้วเห็นตัวจิตเองเกิดดับทางทวารทั้งหนะอย่างนี้เรียกว่าดูจิตให้เกิดปัญญาถ้าดูจิตให้เกิดปัญญาหรือดูกายให้เกิดปัญญาเพียงพอแล้วนะวิมุติจะเกิดขึ้นอริยมรรคจะเกิดขึ้นเวลาที่อริยมรรคเกิดเนี่ยจิตจะรวมลงที่จิตจิตจะเข้าอัปปนาสมาธิโดยอัตโนมัติเราไม่เคยเข้าอัปปนาสมาธิก็ไม่เป็นไรนะ แต่ถึงเวลาที่อริยมรรคจะเกิดนั้นจิตจะเข้าอัปปนาสมาธิโดยอัตโนมัตินะสติะระลึกลงที่จิตสมาธิตั้งมั่นอยู่ที่จิตปัญญาอย่างรู้ลงไปในความปรุงแต่งภายในของจิตซึ่งไม่มีสมมติบัญญัติไม่รู้ว่าปรุงอะไรนะเห็นความปรุงแต่งเกิดดับสองสามขณะนะจิตก็ตัดอริยมรรคก็ตัดความปรุงแต่งขาดสะบั้นไปตัดอาสวะขาดสะบั้นไปชั่วคราวนะเดี๋ยวก็กลับมาปิดอีกนะี่กระบวนการเกิดมากเกิดผลน พอหมดเวลาของอริยมรรยาผลอาสวะก็กลับมาคลุมจิตอีกต้องตัดสครั้งครั้งที่สที่ตัดได้เนี่ยเพราะว่ามีจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งรู้ว่าตัวจิตผู้รู้นั่นแหละตัวจิตผู้รู้ที่เราอาศัยเป็นเครื่องมือไปรู้ตัวโน้นตัวนี้เห็นตัวโน้นตัวนี้เป็นใจรักตัวจิตผู้รู้เองตกอยู่ใต้ใจรักไม่ใช่ที่พึ่งที่อาศัยพอเห็นตัวจิตผู้รู้เองก็ตกอยู่ใต้ใจรัก ตกอยู่ในอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตจะสลัดคืนจิตผู้รู้ให้โลกไปจิตคืนจิตนะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์นะจิตก็คืนจิตให้โลกไปก็ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่ยึดจิตก็จะไม่ยึดอะไรในโลกตอนขั้นโสดาก็คือถ้าเห็นว่าจิตไม่ใช่เราก็จะไม่เห็นสิ่งใดเป็นเราอีกนั้นตัวจิตนี่แหละตัวสําคัญเราค่อยเรียนนะเรียนเป็นลําดับไปเทศที่วัดบูรณจะละเอียดกว่านี้หน่อย ละเอียดยิบเลยเพราะว่าเท่45นาทีนี้ได้15นาที่ อ, อสิได้ครึ่งชั่วโมงเองนะก็ต้องยอ่ยอๆ เ, เอาเชิญไปทานข้าว